ภูเถาภูแจอาชายหนองนงที่สนใจในธรรมาปฏิบัติทุกๆคนอละ บ, บันกระว่างมือลงสาหลายปีบมื่อบริษทํ่านจิตตอกันก็คือจังห้างเหินและสิรนลืมกันไปแล้วห้างเตียวภูเถาเพูนพนหลุดพนลวงแปลกอาเส้นมีผูเคยรวมงานกับเ้างานเาข้าคานีค่ะ แห่งการยันบัวมีผูมิมหาให้คั่วบกอุ่นพ่อมากเกเป็นลกพ่อก็ดีใจมีเป็นอาจารย์สมศรีมีเป็นลุงพ่อมีท่านอาจารย์อนเนกยันยันบวมีภูมดมาซอยเป็นอาจารย์นิวอนอยันลาวีมาจากกรุงเทพขึ้นนางรถมาแต่พุนแล้วก็ไปเบิงอันนี้หละเครื่องมุงไปเบิงเ น, เ, เนี่ยเฮสราเนี่ยเลยนรวมมหาห้องว่ากันแ ล, ล้วลกพ่อหาบอกว่าให้ลูกพ่อจอยใสุ่นซะรวมกมกระดี อยู่น้องดินทําสิบ ป, ด ก, ปดกาปีกาอย่งอยู่นี่กำลนงปฏิบัติวันที่ยี่ส <c oughs> ามถึงว่าสี่เพิ่นขึ้นสีโปรเตมาเพิ่งก็คิดหอดอาจารย์เท้าอาจารย์นิวอันเขาอยู่อย่ามาเบิงปลาอย่ามาเบิงวัดเบิงว่าเอาแค่สิ่งละเลือกล้วยขมมะขุมเมน่นผู้เฒ่าเขาผ้าขมมะส่างปลาเป็นไม่กี่ปีกับมีโฮมมิ่งเ่าแห้งเข้าผัดเข้าเศร้าแล้วรบแดด ได้แล้ ว, ม, ว ม, ออมัน่มเงาของธรรมะกระคอยมันคือหน้ า, นาหน้ า, น า, น า, นาตากีสันเระเ อ, อ้ากันเนี่ยคล้ายๆกับหินเนาะปีนึงแค่พอหินเท่านึงสิ่เป็นได้เป็นอย่างอันนี้เ ข, ขามีกระดิเขาสนิมเลยล่ะแต่ขันาห้องจับอากาศได้เพราเป็นยังธรรมะเพราะว่ากระคอยรับคอยแจกให้คอยปลดเปลื้องไป การฝึกกรรมฐานของผัวเขามันเป็นวิธีหนึ่งซึ่งมันบงอแงได้กับมีผลให้เขาข อ, อสมควรแล้วการเปิดโอโลมต่ละคำกับมิตาค้นแถาค้นใจมิผสมซ้ำนินคลายคลายกวาวาธรรมะเป็นของผสมซ้ำน้นงธรรมะเป็นของผู้ถ่อกูแจได้จริงๆแล้วธรรมะเป็นของคนผู้มีถูก มีไหวเพื่อแก่ขามีไหวเพื่อกเปิดเปลือนถุกเพราะจะน่าเฮาบะมี่ผู้ที่สี่บะมี่ถูกน่าเฮาทุกคนเป็นผู้มีถูกกันถุกถุกหลูกถุกน้ำมันนี้ถ้ามากจะเป็นของจําเป็นฟึกกรรมฐานนี่กัเพื่อทบทวนบางที่พอค้นไม่แต่นี่เกิเส้มีแม่ข้นไม่กิดเส้มี ก็เคยเว่ายดอกว่าธรรมะตํา ส, สอนของพระศาสดาหลายมีถึงแปดมืนสีพันพระธรรมขันและ่วานี้อายุอาณามของภูม่าปุ้ยกมาฐ า, าโอโลวิปัจนากระวนจะเป็นค้นเท่าอายุอาณาเขาปูนชลาแแล่ทันเม่นพระอาทิตกับเกื้อสิโต๊ดินแล้วที่รับเบืองไปกินทิศแล้วธรรมะนี่หลายปันจัยแปดหมืม่สี่พัน มันอายุของเฮ้าที่มันผ่านไปเพราะว่า ไ, ได้เท่าได้แล้วอายอุอายุที่เฮ้าได้เือชีวิตที่มันเสียไปเหลือให้เฮ้าได้ใช้ได้สอยอายุจะ ก, กี่ปีกี่เดือนมุ ด, ดบ่ไหลแกก็บน่บนว่ะบ่นหนาท่อแท่ใจกระดได้ให้มันเจีมแข็งเพราะว่าเขามาฝึกทำมาเรีย้ยงกรรมมาทานแบบลัดๆถ้าเขาใจก็เท่ากับได้ศึกษาเบิ 8, 000, 000, 000, บร์ตแปดหมื่นสี่พันธามาัน ไมาทำศีขาสามใสมบูรณ์ซสื่อศีขาสามถ้าสื่อสติสมาธิปัญญาเนี่ยครบก็ ง, ง่ายเองแต่ว่าสีท่าิีขาสามใสมบูรณ์เท่าก็มาเด่นอยู่กลุ่มมาสั่งแต่ว่าให้รู้จักเจ้าของสะกดให้รู้จักลูกให้รู้จักนม้มรู้จักทุกขงงังอันนี้จังอันนาตาถ้าไม่รู้จักลูกบ่รู้จักน้ำนันสิบปวไหวจะสิจัดแจงกับลูกกับน้ำแจงไร ต้นจริงลูกหน้ามันมีโลกมันมีไผ่มีสิ่งมาทับถมข่มขีอยู่เส ม, มอบวชว่าลาบเื่นชีวิตของขา้าวเราหกเลาเหนื่อกับบ่แม่ยังหลบกับมีถุกที่มาทับถมข่มชีมันอยู่น่ะเพราะฉะนั้นกันข้าวหลุจักลูกหลุจักน้าเลียมันสิลูกจักบอนเข้าไปชําระกดเปืองแจกขครจำการกำข้าวบอกลูกบอกเตาให้อยู่ยาวฝาบ้าน เมียสิไปฝึกกรรมฐานจากหกเจ็ดหมื่นพอสิไปฝึกกรรมฐานจากหกเจ็หมื่นให้เบื้งเฮือนเบิเบ้องซางเรบานี้สําหรับครูเบิ้งเฮือนเบิ้องซางตามพอแมีเพิ่งสังส่งกระชินัดมาใช้ใครบสูตรมันสูตรของครูคุมคล้องเลือนนี่คือ ก, กันล่ะการเข้าฝึกกรรมฐานเรียนจบกลมเข้ากับประเด็นซื่อๆหรอก สั่งจว่าเดินจ ก, กลุกลมเ้องไอ้ไหนมันหลุดซีตัวเจ๊กกลุ่มหลุดซีดมันมากๆเพราะว่าถ้ำของประสาทสดาแต่มนื่อีพันธพรธรมอาคารกัจริงจะเป็นเจาะจงบ่งบอกถึงถ้ำสองข้อว่ามีอุปการะมีคุณมีประโยชน์ร้ายกลัวทุกข์อถ้ำสองข้อจังอุปมาเป็นพอหรือเป็นบิดาแห่งท่านเป็นม่านม่นดาแห่งท่านเมื่อห้องจะเลื่อนสติมากๆปูฟัง ในถ้ำสองขอนี่จะเล่นพิงโยนในจิตในใจข้อเฮ้าลูกของธรรมะสิพุทธที่เกิดขึ้นเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดเลี่ยงกันเขามาเพื่อรับใช้พ่อเมีพ่อเมีกับบวมแม่หมายคนดอกพ่อแมีกัหมายถึงบิดาแห่งถ้ำม่านดายแังถ้ำล่ะบิดามแห่งถ้ำมั่นด่ายแหังถ้ำกับหมายถึงสถิสัพเพชะนยละ่ะคำสันงพระสิตว่าอ่าอุปมาเหมือนห้อย สั่งห้อยห้อ ย, หอยแหงสั่งอีกพูดว่าธรรมะเปรียบเหมือนเปรียมเหมือนห้อยสั่งสัตว์บ น, นพบนื้นพิภพมีหลายลอยหล า, า, ายพันชนิดก็บอมีห้อยสัสตว์ประเภทใดไงทอห้อยเท่าสั่งคล้ายๆกับว่าธรรมะของภาษ า, าสุนทมีหลายลอยหล า, า, ายพันข้อกระบอมีธรรมะขอ้อใดที่พอสถิสัพชัญญะดันาานั้นธรรมะนี้ ท 17, ั้งเบ็ดมารวมลงในกลุ่มเป็นผู้มีสติสัพชัญญาเท่านั้นเอะยังค่อยเอาสติสปัญญาเป็นมานดาบิดาแห่งท้ำขะในเมื่อม่านดาบิดาแห่งท้ำจะเลื่อนขึ่งกับกี้กใจเจ้าลูกของท้ำก็จิเกิดคือมาเป็นชุดๆคล้ายๆกับพวกย่อมพอย่อมแม่มณะครอบรัว ซึ่งเขามีลูกทุกคนลูกของเขาทุกคนนี่ก็ย่อมเกิดขึ้นมากเพื่อซ้อยตีนตาเมื่อให้เขาได้รับความสะดวกสบายง่ามชาลาดมีเบาอยู่เรื่อยเรื่องถ้ามากกับเพื่อสิ ม, มาสร้อยมา่านด่ายังนะเหงาถ้าสร้อยบิดาเหงาถ้าเขาแยกข้อใจว่าสติขอเดียวคลอยนี่ใช้จิตจิจีบีสติขอเดียวนี่ไม่ตใช้ว่าจะไปแก้จะไปปลดเปลืองกิเลสได้เอง มันแก้ไขปัญหาทางลูกแก้ไขปัญหาทางน้ำมันเขามาเป็นทีมเขาเอื่อนท่ำสมังขีแก้ไขแก้ไขกันโมเมนสติคอเดียวเขามาเป็นชุดรลดจังเขาเสีเลิกยาเลิกหมาเขาสิเลิกคล้องเสียติดบมเมนสติคอเดียวมันมีปัญญานั่งมันมีฮิริโอตปะปาหนั่มันมีขันจิสุรจันําั่ฮิริมัน แจ้งะไรแจังว่ามาซอยกวดซอยเป mm ื่องซอยแก่ใคเอ้าขันห้าวบะมีฮีรีห <t> ้าวสิขันห <Yeah> ้าบะอายมูเนาะก็เนื่องจากอายมู่ล่ะฮันนักเทียมมูเพิ่งกะทิจัดจ่าดูอยู่แถวพ่อเงี้ยนแล้าฝึกมาหลายปีเท่านี้แหละทำแม่เงี้นั่นเล้วฝึกมาหลายปีแล้วแล้วก็จังบลเลิกบลละถ้าเขากะทิว่ากูเพียงพ้นหยาพคนมึนฝึกกัมาทานหลายปีรุ่นน้องน้เขามาฝึกใหม่ใหมเขามารุ่นหลังเขาเลิกอันนั้นเขาละอันนี้ อ้าขวางเส้นนี้กูเที่็วบ่ได้จีเที่็วบ่ได้ก็อายเพื่อนรุ่นน้องเขาเขาม่ที่หลังเขากระเลยเขากระต่างเขาต่างหลังอดสมอดสาดึงขันติมาเนี่ยมันจะตายบอ่อดของมึงนนก็อดอะไแล้วมันดึงขันติไม่ใช่เขาสวดอยู่ได้หรอพอขันติปรมังตะโพธีตีขาขันติคือความอดกลัน้นเนี่ยถ้ามันหิวเขาก็อดไหวกันไหวนีงสีเด็มันจะได้อดได้กันนี่สิเด็ ว่แมนหิวเลยรูปไซรุนรูปไซรลดมันกะบัวไ้เลือกได้ละทพ่อใหญุ่นพอเกิเคยบอกให้พวกพุ่นใหญ่เขาฟังว่าไหวพวกรุ่ใหญ่ฟังอำนาจของสังขารมันมีผิดสงมันมีความรุนแรงหลายอำนาจของสังขารขันมันกำเหลบแล่กรรมฐานของข้อบกแก่กจัดการกัมันพดเปลืองแก้ไขมันบวมร่วมแล้วปัญหาแก้บวดก สังขารนี่เขามีชื่อมีมีน้มเอื่นหลายตัวสังขารถ้าเถื่อปวกเคยบวดก็จะเห็นเวลาทองจำเนาะอุปีแล้วกรรมกรรบีบขั้นจะสิกรรบีบขั่นกับพูดถึงสังขารเนี่ยพะสังขารมันมีสองส่วนสังขารคือร่างกายกับสังขารทางคิตใจเขาสวดอยู่สังขารคือร่างกายจิตใจ ในรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้หวหายไปหัวเนี่ยมันสังขารคือนรูปสังขารขึ้นาหน้าสังขารคือกายขึ้นใจสังขารทางร่างกายเดียวนี้มันกำลังคล่องไผ่กำลังบังว่ามีผู้ใดเห็นกันเพราะว่าเขาสา ม, มารถเห็นกันเห็นแต่ส่วนที่เป็นรูกปกระทําพอาะไงนั่งอยู่ใส่ไม่ไงนั่งอยู่ใสเห็นกําลังเห็นอย่างกําลังทําอย่างเขาเห็นกันนี่ส่วนรูปกระทํา เขาเอาตาเนื้อเบืง้งเขาเห็นกันแค่นี้เจ้บาลนี้สังขารส่วนรลวประธานมังกรเหลือเพียงกัมเรบขึ้นมาในลักษณะเจ้าไหนเป็นลักษณะเจ็บตเเเีเป็นลักษณะปวดลักษณะเน็ดเหนื่อยตีมือลักษณะเมย์ลาเป็นลักษณะอ่อนเปียกเพลรงเป็นลักษาะขายแขนตีมือเขากระบทเห็นกันอันนี้มันเป็นประจักต่างนี่แหละยังค่อยว่า เมื่อพ่อไงม่ีญ่สินมาฝึกกิดมาทานก็บอกลูกบอกเจ้ามอบหมายงานหมอบหมายหนาทีจะแจ้งทั้งเฮือนทั้งซ้านให้มันดีพวกลูกเต้ากับข้องศิบ่กันอในมันมีคันมีดคาฆ่ากับใหญ่มันเสียหายหย่อนน้ำเมื่อผู้ลายอายขมุยระวังพีระวางหน่องอยู่น้ากันกายมีขั้วปองดองกลมเกลียวสมัครขี้หักกันแพ่งกันผู้จาปาใสกันไถ่หลอดไถ่หลอดเข้าข้งสิบอกไว้ได้ขว้วจริงคัน ข้าสิจ้อจงว่าพูดการไพ่ละไพ่ละยาทะเลาะเบาแหว่งยาเป็นปลาเปลี่นเสียงยาดุเสียงเตียงงอนยาบวยบีดีขากันกสิบบอกขอ บ, ขอบจะกรว่าเพราะว่าสินีของโยมมันบวชขึ้นของพระบททองจ่มของพระเนี่ยคืว่าความรักษากายวิจให้เรียบร้อยเนี่ยพระหนุ่มมีสมบัติมีอันใดที่มีค่ามีราคาคว้หัวงคววแหนหลายคือโยม สมบัติของพระหน่อยๆสามสีอย่างเขาเบื่เ อ, อินพ่ค้าสมบัติเขาเบื่เ อ, อินพ่ค้ทรัพย์บุคือของยุ่เอื่นปใจเครื่องอาศัยหลวของพระเนี่ยบ้านชิ้นของพระจะค่อยบอลำนํากับปัะจัยคักแนบในที่ความรักษากายมารักษากายดีความรักษากายวายใจเรียบร้อยเรียบว่ายสินเนี่ยบุาคเข า, า, า, าไปหาใจได้ป่ะไงบททองอย่างพวกไงล่องทบชวนเหมืนเดิมบทที่เ้าเคยเรียนมาความรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียบว่ายสินความ ตั้งใจมั่นชี้ว่าสมาธิความรอบทุรุ่ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาทัวที่เกิดเพราะการมละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้ามักเรียกว่าอาบัติห้องว่าไปจะสินีเนี่เอาสินของพระสงฆ์จำเรืที่เลี่ยนเพื่อสอบเอาฉันเอาพุ่มไปบอกกับข้าบ้านมันเกิดบ่บทัวเถงเหวสินของพระของย่อมเมื่อเกิดหลายอย่างนี่ คำว่าสันตว่าทรัพย์สินนี่เนี่ยก็เอ่นว่าสินเหมือนในบทขมวดท่ายบทผู้หาสินหรือเวลาเป็นหาสินเขาก็ว่าสเลนสุขะริงเงนจีสเลนัโภูเสัมปทาสีเลนนิพพุตริงันติตัศมาสีลังวิสุทิเกี่ยวกับสิน่อนสีเลนสุขะจิงเนมีกสุขท่านรักษาศินแยบว่าย่เจาะจงเฉพาะร่างกายเลียว่าจ่าได้หรรักษากายวาจาเฉพา บกขอบเจ้ากว้านมาสิบเทัวเดี๋ยวนี้อยากเว่าให้ผู้น้อยหมายถึงลูกเต้าเล่าล้านของ ข, องของ้าผูทเกิดมาใ่รุน่นที่ความจําเป็นของสินอิริสําหรับชีวิตกชีวิตอย่างผูกคล้องเลื่อนเว่าให้เขาผู้เกิดมาใ่รุ่นเข้าใจว่าสินประเภทนี้ว่าได้ขอจ า, จากพระเกิดจากการประพฤติเอาเกื้อจากาการเฮตุการทําเอาจยู่สินนะควื่เรียบร้อยอัน ว่าใจเจ้าจงวารักษากายกบว่าจ่ากายนี่เป็นรูปประทัมเนี่ยเมตตาล่างกายก็ย่งเกี่ยวของกับผ่าอีกมีความสัมพันธ์กับเสือกับผ่ากับเครื่องนุ่งของหงอีกมีความสัมพันธ์กับถวยกับช่มอีกนี่บิใบของโยมมั่นไปไกลพนันนะของพระกับคุณสัมพันธ์ของพระนี่จะกับจีว่นมาถึงเครื่องนุ่งของหงแม่นวรสบงจีว่นสังขารรัดประคดผ่าสบายเคียงนี่นี่เขาเอื้อจีว่านมิตะบากกับมาเพื่เครื่องควบเครื่องฉัน เพิ่องอยู่เพิ่งกินแต่บว่าเป็นปัญหาโยกอมาทรงทุเพี้นทุกอย่างหันเจ๊นจะนกลัวคือที่นอนหมอนมงงเนี่ยทีาา่ะเทศส์ก็หมายถึงคพามเย็บขยไข่แต่กลัวถามมันมีคือแหามไหลจะาคอสีแดงหามากินไม่ใช่เมื่อสของโยมประจ่เครื่องอาชียของโ ย, ยมมาเนื่อจะต้องรักษากัแจมคอปรยูงเมประยูงมันบริโภเข้าสิวา่าแบบสินประยุกเช่น เขาสิงหงาดเอาสูตรอ่าละสูตรของผููคุ้มคล้องเลื่อนแม่ไฉ่แม่ครบสูตรจังหว่ดนี่สีเปรียบเทียบกับอันสถิอยู่กับกายห้องเอินกายญาณุปัสนาเนี่บอกในเมื่อเพื่พ่อยิ่งมอบไม้ให้ลูกให้เต่ายะหนีจากเพื่อนหลายขันพ่อแม่ประยู่มาห้ามาหอนกังคำกังขึ้นกาเงื่อแหมใหญ่งวงกลวยของห้องจะเสียใจสิเนี่ยบ้านี้ขัน เขายูเฮืน่นเขาบนนี้จะเฮืน่นบนนี้จกบา้านผู้ใดไม่ยิบมายืมไม่ใช่ของรวงเมเฮืน่นเขาสีเห็นบืดเขาไมา่ยืมจอบยืมเสียมไปใช่ไม่ยืมมีดยืมขวมัไปใช่เขากลับมาทรงเขายืนคือด้วยเฮื่นว่งนางเคยได้เลยได้ขลาดอยู่เนี่ยพวกยูบเย่าเบาบ้านใช้วิชากลุ่มคล้องเลื่อนให้ครบสูตรกันเมื่อเห็นของเขาเอามายืนเอมาอมา้าขึ้นมาสรงไหวเป็เรียบรลอยเจ็บเปเรียบรลอย วางขววงทางไปทางมาหปิตานองมแม่เลี้ยงส้นเลี้ยงเจี๊ยงเลี้ยงต่ำตบ า, าบาดขาบาดแยงข้งนเด็จเห็นแล้วเขาสิบอ๊อบเผยเฉยดูหลาเขาสิไปจัดการรดการผู้อื่นยืมจอดยืมเสียมไปใช้ยืมมีดยืมควนไปใช้กรับมาทรงแต่ว่างบุฒปพิธีเป็นทางตันทางข้นไปข้นมาเจสิขัดสายหูสายตา บ, บ, ต บ, บุฒิปิตาเบิงบก เขากระจัดการโหลดรีบเก็บดีบเมี่ยนเก็บให้เขาที่เขาทั้งจัดการก็มันเอาไปว่างนี่ที่มันปลอดภัยเรียบร้อยแค่นี้คุณดูวัตปุแต่ข้นเทข้นตามบ้านมันเรียบร้อยเรียบร้อยจากผู้ปผู้มาวัตถุเป็นผิดจะจะนองหน่อยผู้มันสูกส้นมันวิ่งมันแลนอยู่บนบ้านเอแต่ว่ายังบ้านสะอาดผู้แล้วหาไม่ปัดไหม่ขวดมาปัดมาขวดอีกการเคลื่อารวัตถุพ่อกระสีเอาขาชุ่มหนำมาเช็ดมาถูอีกจนมันเรียบร้อยนี่สิ่งยังสี่ลงตัว ที่เรียบร้อยมูลูกเป็นสิ้นแล้วบริโภคจากพระต้องประพฤติเอาตองเฮ็ดเอาเจงาถวยทาามท่ามาก่อนท่อนสายยูสายกินแล้วอาหารบางอ ย, ย่างบูดายเสียเก่งลูกเต่าเขาก็บหมอหายติดถวยที่สร้างขามเพื่อนีบจัดการก็มั่นเลยล่างซะเช็ดเค็ดเขาเตียงเขาตู้จะพอยเรียบร้อยก็ยเสียนี่สิ้นกสิ บ, บริโภคจากพระพร ะ, ะบริโภให้เกิดจากการประพฤติกระท่ำอารุณขันขามาสิใกล้น่อยใกล้เล็กคือโลกถึงคอน้อําพอน้ําแม่มันบริโภ ห่องเกี่ยวเจ้าหนวกนั่นลำคัน่นจัดการสาเ่เคปคือลกถึง่อ้อย่างดีจนม้าบริจิตรความมันเัง่อสิเรียบร้อยแล้วสินี่จัดการกับภายในเฮื่อนเพราะว่าอันไหนมนก็มีค้านมีราคาแย่ไม่จิบหายคันจัดการได้ทุกสิ่งทีเลนสุขติงี้ยตีหลีผู้มีสินผู้จัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างภายในวันเรียบร้อยสีมีความสุขมาดู ขันน่องขันน่องขันนุงเขาหัวงอเพื่อไปเลี้ยงไล่เขามาขอดมาแรงผู้ปเปิดอ้าดึงใช่กับเบื้องน้าเขาเขามาทุกตัวทุกตัวเพราะเขามาหอดคอกหอดแรงเลยมันผูกเสื้อผูกข้าวบอ่อใส่ดินกินรากบอ่อขาเท็จเรียก ว, ว่าทําครบสูกระเรียบร้อยอยงนี้ขันเรียบร้อยถึงทุกขันตัวอันสี่หันพ่อแม่กะเป็นการทรงทางพ่อแม่อีกประเด็ น, นี้เพราะฉะนั้นสิ้นที่เขาเป็นไปกำงานเขาเอิอนสิ้นไปยุ ยังคอยอย่างให้เขารีบเฮ็ดรีบทาในขณะที่เขาเปลี่นผ้าเปลี่นสาวเปลนทเท้าเปลนนางท่านเขาบ่อยีบจาัด ก, การเดี๋ยวนี้เขาสิบได้ประพฤติทำขอว่ามาตาปีตุอุปทานั่งหรือ ก, กตัญยุกตะเวทิตาทำมันเป็นการประพฤติทำในที่ไปเรื่อยๆมองดูเพราะฉะนั้นธรรมะชนิดที่เป็นไปกับมันมันกิดเป็นการปากอบายมุกไปนในตัวอบายมุกมันมี ห, งหงูหอกอเห็นไหมบ่ดื่มน้มาเมาเที่ยวกลนขึ้น เทีวดูการเรียนเรียนการเพราะนั่นข้อก้นคือเป็นมิจฉาทันอำนาางนสิเนี่ยคันเขาแต่ว่าการประพฤติธรรมของเขาเขาบริเกณฑ์ว่าระดมให้เขามาเดชจุกรมสางแก่วเหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะว่าพอ่แพ อ, าพอแมียเขาถือพระสงฆ์เรียกให้มาฝึกกรรมฐานอยู่พี่ไปเลยด้า น, นหน้าไหนเขาฝึกธรรมะประยุกต์เป็นไปกับงานในเมื่อทุกคนเอางานเนี่ยมันเอางานมากกันก็เป็นการประพฤติธรรมไปในที่เลยมันกระตัด คือโมเทียวเนี่ยอันนั้นจอยจงโาเที่ยวกันขึ้นเหมือนโมเที่ยวกังเล่นกันขึ้นกับสร้างกับขึ้นซีว่าเทียวแล้วเป็นอบายมูโรเที่ยวดูการเรียนเรงการพระนั่นมึงในบ้านนี้เขาหันมาเรีนกับงานดูเป็นคนขีตั๊บมาได้เป็นคนประหยัดมัธยัติเป็นคนกเมิตกแมษโบเทสเตเลรอนโบคบเพื่อนช่วโบโตบิธาซิงเสียกิดเป็นคนเอางานเอาการที่เป็นการทรงทางพ่อแม่อีกท่ะพ่อแม่เดี๋ยวนี้กําลังเดินทางเดินจากไปต์ อาจจเดินจากกุศลนี่ไปหา ก, กุศลนีกก่แท้กะเดินไปเพื่อมักพ้นเบื่อสู ล, ล่ะจากโลกจีไปสู่โ ล, ลกุตละละแหละทอนคันพวกลูกโพเตาที่ยังนุ่มยังหน่อยยุ่นเป็นคนขมักขมเมีนเอางานเอาการรัดผิด ช, ชอบสิ่งของทุกสิ่งทุกอยา่างท่าในบ้านเฮ็ดจนสุดฝีมือความแม่กะสิบวมีปริโพดถ้ามาปริโพดหมายถึงคุ่มห่วงย่่ยกะสิคิดว่าเออเดน๋ยวให้ดอกไหญ่ก็ บ, บ่ อ็นี้เฮื่อหนีซ่านเตจิตรควรอีหลีป่วยห้หน่องหายนงอยู่ด้วยลำพังบ้านี้ขันพ่อบ่ยอยู่แม่บ่ยอยู่กันั่งเฝ้าบ้านเฝ้าให้อยู่น้าหน่องน้านงเป็นอยู่เดียวเนี้ยพอแม่อุ่นใจเจสีจนบะมีปริโพรบะหวงเนี่ยเขาก็ทรงท้าเข้าในเมื่อเข้าบะมีอ่าเรื่องกังวลกับสิ่งกับของเพราะว่าลูกของเขาเป็นคนดีทุกคนลูกดีพ่อแม่สบายใจเคยได้ว่าอยู่ดีในงานดีในการเจสีพ่อแม่จนบะหวง ทานสมาธิเมื่อก็เข่าขันง่ายเตือนจงกลมคิดบ่ห่วงหนาห่วงหลังคิดว่าแรงไปสู่อดีตคิตบ่าแรนไปสู่อนาคตคิดบ่วงวนเข้าไปหาเืินหาทรานย์เขาไปหาสิ่งหาของถ้าลูกของเขาบอกอะไรเลยมันจะเป็นยังไงโอ้ยผูย้ใหญ่เขาบ่กเปลี่นผู้ใหญ่เห็นพ่อเบลยูแม่เบลยูมิแต่เห็นแห่แหแหเล่ น, น, น, นค่าเดียวจะสิพอแม่เลยสิบวันแต่กินเฮกินแห้งเลยมาต่างจากลูกบ้านร้านเมืองเขาแท้บรรลูกของเขาสมาคิดตา ม, มัาได้มากข้น บรรลุของตัวมันคนคุปติขนอย่างนสองขนสามขนกับละบุหรือแจ้งหนาที่จะขคนจะสิมันลูกของเป็นสมวคุมควงเดียวกันลูกของเงื่อนที่อยู่ไก่จิติถาดลูกของเขาเป็นคนเอางานเอาการว่าเผยเฉยดีูดูได้ตื่นถึงมัคหาเนี่ยมาเหตุหาเนี่ยมามทำมาสิมันลูกของเอาบ่อนายเลยพอรมเสกเกิดหน่อยเหนือตั้งใหญ่เฉลยเนี่ยมาเดินโยกรมกระสีบปเป็นอันเดินใจนึงกระสิคิดบงึงอจิดหวงังคิดแยกอยู่นั่นสิ่งน้ําของ หย่านมันบ่กํากับหย่านมันทานนองพ่านนองอดอดอยากอยากมาจีพ่านนองมาเขาบนนอมาจีพ่านนองตีฟื้นที่ไปหงต่มกินแจงบนนอมาจิเที่ยวสีโขงมาบนนอมาจีมาเบิงสิ่งเบิงของน้ำนองบนนอจะมีแต่ปริโพดมีแต่กวมห่วงเพราะฉะนั้นการทรงพอทรงแมีมันบน่คือทรงแขกกานทรงทา้งแขกหมายถึงมีคนมาเยี่ยมล่ะ ทีเป็นญาติชนิดมิตรสหายหรือพี่น้องป้องปายที่มาจากท่าไก่ไม่เยี่ยมยานาถามถึงไม่นอนอยู่กับห้างอุ้งคืนสามคลืนหวคลืนเจ็ดคลืนสี่กับบ้านห้ามีาาาของฝาห้องกระดิ๊แอจัดใจโซนใจท่าให้ห่อเขาห่อป่าให้ไปส้งมขว่มทุกให้ทุกหน้าหรือผนบ้านพ่นซ่องหรือไปถึงบอกคอสอถึงรถถึงรลาดทรงพี่สซนน้องทรงเกลื่อนทรงถุงมาทรงพอเอาอยู่กับเพื่อนกระสานบน น, น, น, นี้เพื่อนนี้สร้างใจคนจัดงานให้มันดี ทุกคนทำงานตามหน้าที่ในเมื่อผู้พี่รับอาชาวสิติดฟื้นที่ไฟของตง์ตมกิงแจงผู้นองกับเอาเหียบไม่เหยียด ก, กันตั้งหนา้าเสกองค์อ้างกระถางกระทะไม่เรียบร้อยท่านหน้าที่ปท่านหน้าที่กวดผู้หน่อยผู้บางคนอาจจะท่านหน้าที่ไปเรียงงูเรียงผูยจะดีเล่บบอมีเหลืองมีเหล้าบอทิ่ของตองเทียงกันพอมีก็สบายนีนเยาเห็นได้ชัดทำมา แคนี้ที่เป็นไปกำนัลที่มันกาเขาเอื่นจะสาระหุกระวุตีธรรมบานี้มันเอื่นจะสันตีหลีจะสาระหูกะวุติเขาเก็แปลว่าเพิ่งทำตัวให้พิธีเบาใจต่อผู้อื่นอยู่ที่ไหนก็ใครก่อนเขาเขาบาใจเนี่ยในเมืองห้าวเทาลุ่มลูกเต้าขันบ่ให้เขาหลุจักเรียบ้านการเฮื่อนเข้ามามาตรปีตุเขาสิบหลุยจักอุบัติธาเพาราอุบัติธาเนี่สิไปหลุยจักตอนกวนเกียเนเพราะเ่เสีใจคาด แม่หลุมนอนเสือป่วยร่อยแหล่นอนทิศเสือทิสอะไรแหล่มาใส่ผาชี้ผีผ้งเนียวเพิ่จริงพ่อแม่ขันเทาล้องทุบวัลผาชราล้งสิรีบจัดการโหลดนุมพอเคยเบอกถึงชีวิตชาหน้าก็ยังปวดกระเสียมงานให้ใจ้ขั้วเ่าๆปวดกระเทีเยมงานให้แจ้ขั้วเทาๆ้าหน้าบอเอ า, า, เ า, าขั้วเทาๆไม่ใส่าขาดใส่ถ่ายบอกขั่วเทาๆไม่ใส่รอใส่เกียนแล้วก็บ่กอย่างให้ลูกที่เป็นบ้าเป็นสาเป็นทาเป็นนาง่ง เจ้พ่อใจ้แม่จนให้พ่อให้แม่ออกตองออกท่าไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนเพิ่มจริงงานใดจะต้องเกี่ยวกับการหาการหาเกี่ยวกับการคุยกันคนเกี่ยวกับการถาการทถางให้ลูกทั้งหลายใช้ยิ่งออกสวนออกต่างโดยทีนี่มาตตา่ปิต่ออุปถานะนี่เป็นการพกับเียงงานใจพ่อเจ้แม่ซึ่งพ่อแม่เ่เคยเป็นขาราชการกัปดเอาเอื่ว่าปุ๊กับเสียงงานนี่เป็นธรรมะประยุกต์เ่อได้เรียนโยกรมบริษัทจะว่าจะว่า มันห่างว่าเกิดปัญญาคือจงังเข้ามาเสียสางแต่วะเรยนอยู่กมนี้อันนั้นทำเป็นธรรมะที่ซอยเหลือสังคมไปขึ้นการท่องโบราณเกีนน่ยนท่นเขาสิบ้งใจว่าธรรมะ ก, ก็คือการเหตุงานเหตุการเขาว่าสัน้นหน้าปาก็าิตว่าตัวการงานคือตัวการประพฤติธรมรมพร้อมกันไปหลายสามีค่ายิง่งท่าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงน้าเดียวยิงเก็บนกหลายพวเอ่ยเนี่ยได้หลายอย่างในขณะ ท, ทำงานหนึง่งได้สร้างสันค์แต่ลวงครอบขั้วให้ฮูเืิร์เหลือเหลือ ได้หาประจัยเครื่องอาศัยบ่อยมาขาดแคลนต่อห้อยจินห้อยมือของพ่อของแม่ไวแค่นี้หนูเป็นการเอากิเลสออกจากคิดจากใจของพ่อของแม่พอแม่สิบวบบนบระมแนี่ ย, สยแสดงว่าการประพฤติดีของลูกนี่ผลจนกระทั่งว่าเป็นการเอากิเลสออกจากคิดจากใจของเขาไปเครื่องหนึ่งขวัญหนึ่งไปเลยพอแม่บวบนบระมนี่ยขันร่างเขาบเอาไหนเลยที่ขันช่ว่าเลือกใจกนี้ไปพ่อกล้วบกพองท่าในบ้าน เงืนกับบ่พาดบ่ขวดนาะมันจีแม่ตะมือแม่โรกอยากบาดพวกเรื่อนี้ชี้นหาขนมันกับบ่เป็นผู้ใดจะให้สูขันพ่อแม่บ่มียาญานมันเป็นเงื่อนพวกนี้กระิบบ่ไหนแม่บอกขันมันหงมมึงูัวถ้วยใสยู่ใสจินแยังตี๋แปอยู่ด้แห่งตี๋เต็มเต็มมือได้นี่สูมาบ่งแจ็กล่างบ่งจ็กเหนี่ยนสู้เรื่องมีดเรื่องควนกับว่างมาหลากจากใจดูแล้วคัดเครื่องสายตาเกิดคุ้เกิดของเกิดแก้วเกิดแมงว่ดใจเป็นสิบปนั้นเป็นเหตุให้ พ่อให้แม่บนจมจูจิบพิธีพิถันดาวาต่างๆนานาเนี่ยกิเลสมันกิดรุ่มเขึ้นมาอีกเนื่องจากลูกบําะพ็ญดีคือลูกบําเพ็ญดีแล้วอันนี้สมของการบําเพ็ญดีก็ตกทอดมาให้พ่อให้แม่เกิดเป็นเพื่สะดวกสบายเขาเอื้นสันกินทะเลาะเจนิปะกกูอินซี่ส ง, งบสงบสงบจากอารมณ์บู้บ้าบ่โกรธบ่เฉียบบ่เฉียดบ่คุณเนี่ยจนบ่ได้บนบ่ได้จมขุนมันมันมีผลทรงทางให้เขาเกิดสะดวกสบายขนาดเพราะฉะนั้น นุพอยจะค่อยบอกครับเขาบอกว่าส่วนมากพ่อแม่อยากรงนรกคุมสื้อวัตถุตา๋รู้ขนไหนจนนักปาโบราณเขาบอาว่าฟันตะกินขามป้อมปตดแต่ค่าข้ามาอมังมังโบขีสามมือก็ตายๆๆตายก็ตายตายแล้วจ่อนฟ้อนปไปเน่าการแห้งบินไายเว้นต่อเหมือน้นกับโมาโพมะโ ห, โ ห, ก, ห, ห ก, ก็ขันรู้เข้าบดีพุ่นกัเก้า อนินท้าว่าหลา่ว่าพื้นท่านควรพวดกะลรแหงมันบินแมงว่านกับมาตอมอันนัเมื่อเกิดของบอดีเขากิดตออมนี่ลองคิดบ้างดูเขาขาเฮาเขาบอกควอนมัตีมาบุยเฮาบ่ฝึกกับมาตานเฮาเกิดเลยประหจัจว่าเขาขาการขาชนิดที่บ่าอกควอนมัตีมาบุยมันมีอยู่ที่ในพวกของชาปูเท่าว่าของแหลมของคมมาดถิมาแทงบ่าเอาพื้นฐานหาใหม่มันยิ่งมีอยู่ดมีมา สมุวาลูกของ้องบดีเจสิห้อบงอบดกินเหื่อกินแห้งเจสิห้องสิบเอ็ดแค่ไราบาสังขารไปจิตไปใจมันกำเหลือว่างเนื่องเบาเรื่องสังขารทั้งร่างกายห้องนางนังก็เจ็บก็ปวดห้องนงนางก น, น็กเนื่อห้องนางนก็เมื่อยลห้องนางนั่งก็เกิด อ, อ่อนเปลียเพล่งเป็นนิสชาค้าแขนงถิ่นมือเคลื่อนถูกเด้มันทนระยะถูกกระเปวทนระยะเดี๋ยนี้เป็นลูกนี่รู้ล้นอยาพิจิงติงตัวอย่าเปี่ยนอีกแบบเนื่องจากห้องเจ็บหอปวดมันทนได้อยู่ในท่าเดียวไปได้ นี่สังขารทล้งร่างกายกาเลบสังขารทั้งจิตใจที่ขลูปป่มบดีกันสิกาเริไแล้วละ่ะเมื่อเปรียบเทียบขลูกผู้อื่นโอ้ยแบบของเขามาเป็นคนวนแต่เท่าสองเ า, เ, า, เ, างเท่ากันบของเฮามันมากบ้องใจเบียกบ้องใจงาเถอเฮาเล่ยเสือใบกินเฮอกินแห้งเลี้ยงลูกบุญเลี้ยงลูกบะมีเฮาผู้ใดกิดมิตเรตเห่ยนยญเหยามมันร่มบานไปแล้วแต่ว่าหามืห้องมื่นกระบอกมบรวยใจว่ามันไปยุ่ไปกินใจว่ามันไปรับไปนอนไส่เนี่ยขาดการไกลข้หาหา เขาหลบหายตายใจยนลูกคนหนึ่มันคือสอ่ไปเพิงไพเขาสิบ่อยเพิงแถะพวกหน้าอาปาลุ่มไปได้เขาสิบปัดถิ่นไปการสิบ ม, มอบมดมั่งกรโดดหาแบงห้แ บ, ง ห, แบงหน้าที่ท่านอยู่ท่านสิบหัวปันสวยมอดหมันก็สิรักษาบุได้นง่านิดหายวงไปเนี่ยเขากับไปโลกประสาทการคิดนําเขาไหลคิดถัดไมาคิดกังืนนี่นนคิดกาเหลืม่มคิดง่ามคนอื่นเขาได้รับเขา ผู้มีความคั่วความคัวที่มีลูกมีเต่าสบายลูกเต่าของเขาดีนพ่อแม่ได้รับแก่กลุ่มรับเต็มหูเต็มตาเนี่ยบปห้องลูกของห้องบอดี้ในห้องบอได้รับในเมืองบอได้รับหล่ขึ้นตอนเนืองร่างกายกระสูนซีดอิโดโรยพร้อมเหลืองพร้อมโซ่เครื่องกินบัได้กระตามมามันดูสีตางยง่ายพวกนั้นทำไปหาหมอเขาว่าขยันบ่มีตัวหอกหย่ยเอ้ยเจ้าขยันบ่มีตัวหลอกพอยายเอ้ยนั่นเท่ากับเปโรคประสาทเลย โรคประากรรมะทึงสังขารกําเหลือมันมีอิทธิพลมั่นดีขั้นเขากินเขาวมื่อใดไปตัวกันอารมณ์มั่นดีขั้นเนี่ยเขาเอื่อนสังขารกําเหลืหลวงพ่อเคร อ, อุ ป, ปมาเครือเปรียบเทียบคันพระเทศเขาบอกว่าไอ้เขาทําบุญให้ญาติผู้มหไรตายจากไัยข้อยใจได้สิได้รับอันนิสงของการท่าบุญผู้ได้สิบวันได้รับ อภู้มีผู้กำลังเสวยวิบากกับผลวิบากผลความกำหนูบริเลระวิบากเข้าเสวยแต่ว่ากินเมนบบเสวยนี่อาหารนั้นนี่จกอาหารผวกพอญิล่องทบท่วนมืออาหารในสื่อทั้งพูดว่ามีซีเมนบบกับวิริ่งกัละอาหารอาหารกับวิริ่กัลอาหารอาหารคือคำข้าวภาษาอาหารอาหารคือภาษามโนสังเจตนาอาหารอาหารคือมโนสเจตนาวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณสมมูลวู้พญิกำลังเสเสวยอารมณ์อารมณ์คุณอารมณ์มั่ยอยู่เจตสิกสมมูลในขอบข้าว พวกแม่ไ่พวกพ่อยังเลี้ยงลูกใกันวา่าหายหักหายแพงพูดจาปสาสยกับหายม้วนหาม้วนหล่ะแย่ทะเละาะบาแว้งจะไอคุ้มจะไอคววงเพิ่นงั้นที่อยู่กับคิดถิ่นานลูกของเขาสมาำเทีกันดีเถะมีคลุมสมัสครีมีมข่มเกี่ยวหักแพงกั น, น, เ, น, นรเรอะไปเ่น้องจะมาขี่ไลอุสาเลี้ยงใส่กันอุสาโอล้มใส่กันเกิดเมื่อ น, นงเกิดดีเกิดขาดลูกเขาสิเมื่อเขาบยดีตีขาจนหัวหลังข้างแจกไปไปนึงสิ